ให้ตัวเราทุกคนพากันตั้งใจในทางต่อไปเลยบัดอย่าพากันประมาทอย่าปล่อยวันเวลาในแต่ละวันแต่ละคืนให้ร่วมเลยไปโดยป่าประย ภาพิสุจนหมายถึงพื้สมุกเราทุควรสลัดความสุขต่างๆายในโลกนี้ออกมาแน่เพียงสมมุติกระตางสลัดลาบยศสรรเสริญในการที่คนทั้งหลายตัวองหาความสุขในรูปเห็นทีราสัมผัสทั้งหลาย ซึ่งเป็นเพียงสิ่งสมมุติอยู่ชั่วคราวซึ่งคนทั้งหลายพัฒนาเราทุกคนสลละออกมาแล้วแน่นสลละเรียงสมมุติก็ตามแต่เราต้องทำจิตใจเรานั้นได้ละได้โดยเด็เดขาละจากความโลภความโกรธความหลงซึ่งเพศสอง ธรรมนานี้เป็นเพสที่เหมาะสมในการที่จะมุ่งหวังทำลายกิเลสภายในจิตใจเรานั้นให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่นาคพันนักแห่งนี้หรื อ, อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ตึ้งตาลดความเพียรอยู่ภายในจิตใจเรานั้นเป็นสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ไม่อถึงฤดู ก, การออกภัรษาเตรียนบริษาทเสร็จเรียบร้อยแล้วในการอยู่จำพรรษาก็อยู่กันมากรูปบางทีออกพารษาก็อยากจะเปลี่ยนสถานที่ไปไปบัด ต, ตามสถานที่ต่างๆมีถ้ำบ้างหรือมีภูเขาบ้างรืป่าที่เป็นสนาด บ, บ้าง อันนั้นก็แล้วแต่แต่และบุคคลซึ่งจะพิจารณาสถานที่ซึ่งถูกกับสติของเราแต่ไม่ใช่ว่าการไปนั้นไปตามอำ น, นาจของกิเลสปัญหาไปตามอารมณ์ภายในติแฝงเราไปตามความรู้สึกนึกคิดปูนแต่งซึ่งเป็นกิเลสภาในแฝงเราไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ ให้มุ่งหวังการภาวนาเป็นสำคัญในการเปลี่ยนสถานที่ไปแต่ละแห่งให้เอาการภาวนาเป็นสำคัญไม่ใช่ว่าจะเอาการเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆสำนักหรือวัดต่างๆหรือจังหวัดต่างๆเพื่อไปดูสถานที่ต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของกิเลสธรรมะนั้นจะเดินทางไปไหน ก็มุ่งหวังเพื่อที่จะไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดมุ่งหวังที่จะทําลายกิเลสายในจิตใจของแต่ละบุคคลอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดเมื่อกายวิเวศจิตก็วิเวกไม่จิดวิเวศก็สามารถที่จะพิจารณาธรรมหรือพิจารณาละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นบางครั้ง การจะอยู่เป็นที่ประทามหรืจะเปลี่ยนสถานที่ประตามให้มีสติมีปัญญาในการตาโลกความเปลี่ยนทุกๆขณาปิเท่ า, ท, าที่จะกระทำได้ข้อประพฤติไฏิปธนั้นพวกเราทุกคนก็ได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควรทั้งจากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ทั้งจากการศึกษาจากประวัติครูบาอาจารย์ หรือศึกษาจัดกำลางอันเป็นแนวทางหรือเป็นเพียงแผนที่ในการที่จะดาเนินจิตของเราแต่การปฏริบัติธรรมนั้นเป็นมุ่งหวังความมีสติเป็นสำคัญข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดนั้นคูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าให้สำรวมมินทร์สังวรเป็นสำคัญ คือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสํารวมใจเรานั้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรถกายประผัดเปลีย น, น, น, นล้อของแข็งให้มีสติมีปัญญาสํารวมที่ใจของเราได้ไวอินซีสังวรสํารวมที่ใจเรานั้นไม่เกิดความยินดีความยิร้ายหรือความพอใจความไม่พอใจ ในการที่ตายเห็นรูปหูดินเสียงมีสติที่จะควบคุมจิตแจงเรานั้นให้เป็นเบขาอยู่เสมอมีสติมีปัญญาที่จะติดาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอทําใจเรานั้นให้เป็นกลางอยู่ทุกๆขณะจินอันนี้เรียกว่าการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์สังวรเป็นสิ่งที่สาคัญ เป็นข้อปฏิ บ, บัติไม่ผิดอีกอย่างหนึ่งก็ให้สำมรวมในการขรบฉันหรือว่าโพชเนมะตันดิตาสัมรวมในการขรบฉันด้วยจกักพิจณาอาหารเลปฏิกูลสยยัญญาอยู่เสมอพิจณาเห็นความเป็นปฏิูลความเป็นธาตุดของอาหารที่เรากบฉันให้เห็นเป็นธาดดินธาดน้ำาาตลุตลมธาตไป การขบฉันนั้นก็ฉันเพีเพื่อความเพียพรภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นให้ฉันแตะเพียงพอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพื่อประพฤติผดธรรมในการที่จะละกิเลสเราเกิดกิจใจเราเป็นสำคัญข้อปฏิบททัติอีกข้อหนึ่งท่านก็ให้ปลาลบความเพียรอยู่เสมอตลอดทั้งวันนั้นคือ ไม่ว่าจะอยู่ในยาบทยืนเดินนั่งหรือนอนก็นแล้วแต่ให้มีสติ ต, ตามกากับดูแลรักษาจิตใจองเราอยู่เสมอทุกๆยาบทการมีสติตที่จะเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอนั้นจะทำให้เราเห็นอ า, นน า, ารมณ์เห็นอาการของจิตเห็นกิเล่ที่เกิดขึ้นภายในใจเรา แต่ถ้าเราขาดสติหรือเพิ่สติอารมณ์หรือกิเลสก็ครอบงำจิตใจเราใจเรานั้นจะตกเป็นท่าของอารมณ์ตกเป็นท่าขอ ง, งกเองิเลสอารมณ์ต่างๆหรือกิเลสก็พาไม่คิดปรุงแต่งไปในเรื่องทั้งโลกหรือเป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงภายในใจเราเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปยญญาตั้งสติมีสติ ตั้งมั่นเสร็จขึ้นมาแต่ถ้าพวกเราทุกคนนั้นกําลังของสติไม่ตั้งมั่นจิตของเรานั้นก็จะวิ่งไปกับตารมณทั้งหลายมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตเราจะยึดมั่นถึงมั่นเอาเป็นใจของเราขอให้เกิดกิเลสความโลภความโกรธความหลงอยู่ทุกๆขณะจิตเพราะนั้นท่านจึงให้ปวาลบความเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน ก็ทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องด้วยการ่าลบความเปลี่ยนอยู่เสมอในการจะเดินยงนกรมหรือนั่งสมาธิประทามจะทำให้มากเจริญให้มากในเอเบทที่ํารวมอยู่ในเอเบทในการทำสมาธิถึงแม้ว่าจะนอกจากเียบตนั่งสมาธิหรือเดินยันกรมหรือยืนสมาธิก็ตามไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ เพิงมีสติที่จะเฝ้าดูจิตใจเราอยู่ทุกๆขณะติดถ้าเรามีความภาลบความเพียรอย่เช่นนี้ก็จะทําให้สติตั้งมั่นเมื่อสติตั้งมั่นพอสมควรเราก็กาหนดสติให้ต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิภาวนาเมื่อเราทําสมาธิภาวนาให้ต่อเนื่องในทุกๆวันความสงบ ของใจก็เกิดขึ้นสมาธิในเบื้องต้นอาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งท่านสมมติว่าเป็นการตักสมาธิเกิดขึ้นไม่นานนับแล้วก็แปรเปลี่ยนไปมีอารมณ์กเกิดขึ้นกรตา่างถ้าเราทำความเปลี่ยนไม่หยุดอาจจะสมาธิดีขึ้นหน่อยก็เรียกว่าอุปจระสมาธิสามารถที่จะตรงสติตรงสมาธิ อยู่ในปัจจุบันจะทำได้หรือถ้าเราสํารวมสติสมาธิดีจิตของเรานั้นอาจจะเข้าสู่ความสงบของอัปปนาสมาธิคือมีจิตที่สงบละเอีขึ้นไปมีกําลังของสมาธิที่มากขึ้นอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดสติกัญญาในการที่จะพิจารณาละกิเลสหรือละอารมณ์เึื่งติดเึื่องจิตของเรานั้นมีความยิมั่นถือมั่น ในลมทั้งหลายได้โดยง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะมีสมาธิเกิดขึ้นเราก็ต้องฝึกขับมีสติจำรวมจิตใจเราอยู่เสมอในทุกๆระยาบททุกๆขณะจิตเมื่อมีเวลามีโอกาสทำสมควรเราก็หลีกเล่นในการที่จะเดินเป็นกรมหรือนั่งสมาธิอยู่เสมอตลอดทั้งวันเว้นเวลาจำวัด ซึ่งเรากำหนดแบ่งเวลาให้ถูกต้องหาเวลาที่เหมาะสมว่าเราจำวัดขนาดไหนจึงจะพอดีซึ่งเขาพูดกันอยู่เสมอโดยปกติผูู้บาอาจารย์จะจำวัดประมาณสามสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มตื่นก็ตึก3ตีสามถ้าทำความเพียนสม่ำเสมอก็อจะทำให้สติตั้งมั่นสมาธิเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้น มีสติตั้งมั่นแล้วความสงบก็เป็นเครื่องอยู่ของใจได้คือจิตของเราเน้นก็มีวิหารธรรมเครื่องอยู่ด้ยวยความสมงบของจิตจิตก็ไม่ว้าวุ่นไม่วุ่นวายไปกับอารมณซึ่งเป็นอดีตหรือปรุงแต่งไในเรื่องอนาคตซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเป็นเรื่องทั้งโลกบ้างจิตสงบนิ่งเป็นสมาธินั้นก็ทำให้จิตไม่กระปัด้กระเปร่าไม่วุ่นวาย เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอยู่เสมอๆ อ, อันเกิดขึ้นจากการฝาลบความเพียรอยู่เสมอนะจิตเราก็นิ่งเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็เข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปอนั้นไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปสิ่งที่มีจิตกะตามหรือเป็นวัตถุธาตุก็ตามปติปัญญาก็จะเข้าไปพิจารณา เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลูกนั้นและวิดก็จะเป็นเดขาตรงสติตรงสมาธิอยู่ในปฏิบัติธรรมเมื่อหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจนี่เกิดความยินดียินร้ายเนะี่ยสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นดีแล้วปัญญาก็จะเข้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของเสียงนนั้นั้น อิ่มรถสัมผัสก็เหมือนกันเป็นอาการเดียวกันเพราะเรามีปฏิกิจดจอด่ออยู่ที่จิตของเราอยู่เสมออารมณ์ซึ่งกับเพื่อมขึ้นเราก็จะเห็นเมื่อเห็นอารมณ์ซึ่งกับเพื่อมขึ้นภายในใจ เ, เราเม่ตายเห็นรูปหูลด้นเสียงจมูกดมกลิ่นริ้นสัมผัสรถกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแขงความรู้สึกจิกิดขึ้นที่ใจงเราผ้าใส่ตาหูจมูกริ้นกาย เป็นเชื่อมเชื่อมต่อเท่านั้นแต่ให้มีสติย้อนมาคุมใจของเราเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเรามีสติคุมใจ เ, เราจะเห็นอาการของจิตเห็นอาการเกิดเชื่อมของจิตผู้บายปัญญาก็จะเข้าพิจารณาที่จะละความโลภให้บรรทาบางไปได้ลกความโกรธให้บรรทาบางลงไปได้ลกความินดีในการทั้งหลายให้บรรทาบางไปได้พเพราะเมื่อมีความโลภเกิดขึ้น สติปัญญาก็จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงของไม่ใช่ตัวตนด้วยวิบายปัญญาที่จะพิจารณาอันแยกค า, ายของแต่และคนก็แตกต่างกันไปเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นอุบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้าเรามีสติมีสมาธิเมื่อมีความโกรธความมาฆ่าไถ่บาปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เหมือนกันมีสติเห็นอารมณ์นั้น อุบายปัญญาก็จะเกิดขึ้นว่าเราจะพิจารณาอย่างไรจึงจะสลัดอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจิตใ จ, ใ, จ ใ, จใจเราได้สติปัญญานั้นจะหมุนรอบอารมณ์นั้นและก็จะสลัดอารมณ์นั้นออกไปเกิดจิต ใ, ใจเราได้บางคนก็ฝึกหัดด้วยการเจเมตตาอยู่ทุกๆวันหรือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอมีสติ ท, ที่จะละอารมณ์ต่างเหล่านี้ ออกไปจากจิตใจเราทุกๆขณะจิตเพราะตั้งใจเลยว่าจะพยายามทําลายอารมณ์ความโกรธให้สิ้นไปจัตใจทุกๆขณะจิตจึงจะเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเผลอสตินั้นก็จะไม่เห็นความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจิตก็จะหลมกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งหอันเดียวกันเพราะฉะนั้นสติสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ เมื่อสมาธิตั้งมั่นสติปัญญาก็จะเข้าพิจารณาละอารมณ์ออกไปจะเป็นความกำหนับยินดีในการทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อสติเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจในลูกเราก็พิจารณายังไม่ทําที่จะอารมณ์ความพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นลูกสวยสติปัญญาก็พิจารณาเห็นความไม่เพี้ยงความไม่เชิดตต่บนของลูปมันั้นแต่พิจารณาให้เป็นนามสุภาษกรรมฐานหรือฆ่าธรรมฐาน ในรูปภายนอกก็ดีือย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนให้เห็นเจนายุทธะกรรมฐานหรือทาตากรรมาตุกรรมฐานก็ตามปิติปัญญาต้องเข้าไปพิจารณาแยกๆให้เห็นความจริงว่าร่างกายเราหรือร่างกายบุคคลอืนนั้นประกอบไปด้วยธาดิน่าน้ำธาตุลมธาตุไฟเพียงเท่านั้นสมมติกันขึ้นมาเป็ั่วาวเ่านั้น สติปัญญานี้จะต้องเข้าไปพิจารณาอยู่เสมอๆในทุกๆวันเพื่อที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนหรือในร่างกายบุคคลอืหนึ่งหรือในวัตถุธาตุทั้งหลายการที่จะมีสติมีปัญญาพิจารณาลมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้อยู่ทุกๆขณะจิตได้ก็ต้องอาศัยการตานลบความเพียรอยู่เสมอเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้น เมื่อสมาธิเกิดขึ้นทรงอยู่ในระดับของอุปจารสมาธิกะตางก็สามารถที่จะทรงสติสมาธิอยู่ในปฏิบัาลธรรมได้เมื่อสามารถที่จะพักสติเข้าไปสู่ความสงบสงซึ่งละเอียดขึ้นซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิกะตางบางครั้งเราก็พักอยู่ในความสงบ ข, ขึ่นละเอียดเพื่อที่จะมีกําลังของสติปัญญาในการที่จะพิจารณาละวางอารมณ์หรือทําลายอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสภายในใจเราได้ อยู่ทุกทุกขณะจิตซึ่งอารมณ์หลืกิเลสนั้นถ้ามีอยู่ภายในจิตใจของเราตามใดเราต้องมุ่งหวังที่จะละที่จะทําลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจเราใหได้เพราะฉะนั้นทางดําเนินแห่งการปฏริบัติคือศีลสมาธิปัญญาเป็นทางอนเนกหรือเป็นมรรคที่จะดําเนินไปเพื่อที่จะทําลายกิเลสหรือละกิเลสให้สิ้นไปจากใจเราได้ ถ้าจิตของเรานั้นยังมีกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงใจงเรานั้นก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอยู่นับพบนับชาติไม่ถ้วนมีความเกิดในแต่ละพบเราก็ต้องพบกับความทุกข์แห่งความแก่แห่งความเจ็บแห่งความตายมีความหโหยมีความหวงมีความอะไรวรในพบในภูมิทั้งหลายถ้ามีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความจริงว่า ในแต่ละพบแต่ละภูมิซึ่งเกิดขึ้นมานั้นแต่งไปด้วยความทุกข์ทั้งสิ้นจิตของเรานั้นก็จะมีความมุ่งหวังมุ่งมั่นในการประพฤติฏิบัติเพื่อที่จะละหรือทําลายกิเลสให้สิ้นไปจากใ จ, ใจเพื่อที่จะประพฤติฏิบัติให้ถึงมรรคผลนิพพานเพื่อที่จะไม่ต้องมีการเกิดดีเพราะความทุ ก, กข์มั น, มมกนกเกิดขึ้นแต่ความแก่ความทุกข์อกกันเกิดสิ้นแต่ความปิติแพ้ได้ป่วย ถ้าจิตใจเรานั้นไม่เปลี่ยมใจรงรอให้พร้อมจิตใจเรานั้นต้องเป็นทุกข์มีความกระวนกระวายเมื่อโลกไปใปลี่ยเปลีป่ยนเมื่อความแก่ความตายเด่นเียนจิตใจเราก็เป็นทุกข์เพราะความห่วงความหวงความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีสติมีปัญญาพิจารณาอยู่เสมอเสมอให้เห็นความไม่เที่ยง ค, ความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายเรานี้ ถ้าเรามีสติมีปัญญาพิจารณาอย่างทุกวันจิตของเรานั้นก็จะคลายจากความยึดมั่นถึงมั่นในร่างกายตนทีลเล็กทีน้อยอย่าประมาทอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยป่าประโยชน์อย่าปล่อยจิตของเรานั้นให้หลงไปกับลมภายนอกซึ่งปรุงแต่งเป็นเรื่องรูปเสียงกิน่นรสสัมผัสต่างๆการเป็นเหตุทั้งสิ้นเป็นข้าศึกที่จะมากวนติดแต่งเรานั้นให้เข้ามอง ไม่ให้จิตใจเรานั้นมีความผ่อไสาเพราะฉะนั้นพระเรานะี่เราต้องมีความตั้งใจในการปฏิบัติมุ่งหวังความพ้นทุกข์เป็นที่สุดถึงแม้ในปัจจุบันในชาติเราก็ต้องสลัดทุกสิ่งทุกอย่างสละทรัพสมบัติสละดชีวิครอบครัวสละแมนชีวิตนีน่เพื่อที่จะต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมถ้าบุคคลใดมีความมุ่งหวังเช่นนี้จึงจะสามารถที่จะ ทำให้จิตนั้นพัฒนาหรือปฏิวัติที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตใจของเราได้ถ้าเราทําความเปลี่ยนไม่ท้อถอยฝาลบความเปลี่ยนอยู่ทุกๆวันจึงจะสามารถที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจเราให้บรรเทาเบังไปหรือให้สิ้นไปจากจิตแจงเราได้การปฏิบัตินั้นเราที่ก็ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอแล้วว่าไม่มีเรื่องอะไรมากมีแต่เรื่อง การพิจารณาร่างกายเรา น, นี้แหละให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ตัวตนของร่างกายนี้หรือวิสติวิปัญญาพิจารณาในอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจภายในจิตใจเรา น, นี้แหละซึ่งเป็นอาการอกิจเป็นอาการของกิเลสให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่เที่ตัวตนของอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นโดยดย่อๆเข้ามาก็อยู่ที่ใจเรา น, นี่น ะ, ะยยเพราะใจเรนั้น เป็นต้นเหตุเพราะใจเรานั้นเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะใจงเรานั้นหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นแใงเราเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องพิจารณาทําลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออไปจากใจเราใหได้ในทุกๆวันจะต้องพยายามที่จะมีสติ ตามรักษาจิตแใงเราทุกๆขณะจิตมีโอกาสมีเวลาว่างเสร็จจิตส่วนรวมเราก็หลกเล่นในการที่จะเดินในกรมให้มากหรือนั่งสมาธิให้มากทำสติให้ต่อเนื่องสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็พึงพยายามรักษาไว้ด้วยการภารบความเพียรอยู่เสมอในทุกๆปีาบาทเพราะฉะนั้นการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่อย่ามุ่งที่จะ ไปสร้างสํานักหรือก่อสร้างในสถานที่อันต่างให้มุ่งที่จะลเล่นในการบําเพ็ญภาวนาให้มากมุ่งหวังที่จะหาทางที่จะทําลายกิเลสภายในจิตใจเราให้ได้ถ้าเราทุกคนมีความตั้งใจในการที่จะปาระความเพียรไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เราก็จะเกิดประโยชน์เดินทางไป ถ้าตรงนี้ภาวนาไปสิบห้าวันยี่สิบวันไม่ดีเราก็เปลี่ยนสถานที่ไปถ้าตรงไหนภาวนาดีก็อยู่ภาวนาให้นานๆรู้จักมีสติมีปัญญาที่จะรักษาใจเราถ้าใจิตใจเราเสื่อมถอยหรือว่าทอถอยก็พยายามที่จะเอาบายปัญญาให้เกิดสรัทธาความเพียรอยู่เสมอตรงไหนที่จะเป็นโทษที่จะทําให้สมาธิเสื่อมปัญญาเสื่อม เราก็พยายามที่จะหลีกหนีหาทางที่จะอยู่ในสถานที่สงบสงัดอันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดสมาธิก่อให้เกิดปัญญาอยู่เสมอเสมอจึงจะเป็นผู้ซึ่งมีความตั้งใจในการปฏิบัติจริงให้มุ่งหวังในการที่จะทำลายกิเลสเป็นสิ่งที่สำคัญหรือมุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมเรือให้จิตใจเป็นธรรมขึ้นมา เพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือเปลี่ยนไปตามที่ไปก็แล้วแต่ให้ดูว่าถ้าไปแล้วทำควาเพลียนดีก็ให้ดูนานๆถ้าทําความเปลี่ยนไม่ดีก็ให้รู้จักเปลี่ยนให้รู้จกัจกติดเล่นมันเป็นภาวนาเราก็จะขอให้เกิดความสมบงบหรือก่อให้เกิดสมาธิหรือก่อให้เกิดปัญญาในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความหลงออกไปแก้จิตใจตเราได้ ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นพอสควรเมื่อก่อนยุคติแต่ถึงเรายิงสาธุสาธุสาธุสาธุนาธุสาธุสาธุสาธุสารุสาจะสาธุสาธุ วัดนี้ถ้าไม่มีเหตุก็อยากไปอยากไปพ ย, ยายามอย่าไปพูดพ ย, ยายามอย่าไม่เขียนก็คือแ่้จะเปิดของอะไรก็เขียนได้ถ้ามุควันี้ก็ลำ บ, บากนะอยู่อยู่ส ง, ง่ายทำกอวัดนั้นทำไปตรงวัดทำ ต, ตอนไหนก็ได้ไม่จนเป็นต้องทำในพรรษาทำได้ตลอดทั้งปี ที่จะทําส่วนตัวบางอย่างที่เราตั้งใจไว้อันไหนเป็นเครื่องที่จะขูดเกาจิตใจเราขูดเกากิเลก็ให้ฝึกขัดทำเพราตัองต้องรู้ว่ากิเลสของเรานั้นหนักไปทางด้านไหนในจิตกิเลสของเรานั้นมากในแง่ไหนเราก็หาทางที่จะห า, าวายที่จะละให้น้อยลงหรงหทําำลายให้จริงไปจากใจเรา ต้องฉลาดที่จะแก้ไขหาสาเหตุแล้วหาทางที่จะดับเหเทนั้นภานาอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่สําคัญที่รู้จักในการภาวนามไหมอยู่ที่มากลูกถ้าไม่รู้จักมีความเห็นที่ถูกต้องก็ภาวนาไม่ได้อยู่น้อยลูกถ้ามีความเห็นไม่ถูกต้องการภาวนาก็ ไม่ค่อยจะเลยนี่อยู่ที่มากลูกหรือน้อยลูก็ต้องทําความเห็นให้ถูกต้องคือรู้จักหลักในการที่จะดําเนินชิตซึ่งหลักโดยรวมโดยวกว้างท่านก็ให้ดเนินในสี่สมาธิปัญญาอันนี้แบบกว้างแต่ความเห็นในใจต้องเป็นไปเพื่อที่จะล้างกิเลส ไม่เพอบพูนกิเลสไม่เพิ่มกิเสลสนั่นต้องบันเลยฉลาดในการที่จะควบคุมจิตใจไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เกิดกิเลสต้องดูที่จิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นอยู่ที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสานักปฏิบัติหรือในวัดที่มีพระมากลูกก็สามารถที่จะตรรกะความเปลี่ยนได้หรือถอยู่น้อยลูกก็ยิ่ง ทำความเปลี่ยนได้มากขึ้นดีพเพราะทําความเห็นให้ถูกต้องด้วยจิตเล่นพอนาะแต่ถ้าคนไม่รู้จกนะักพอนาไปตื้ออยู่รูปเดียวประตาเห็นน้อยๆรูกประตาไปไปอยู่ในถ้าที่ลึกที่สุดมีที่บนเขาที่สูงที่สุดหรืออยู่ในป่ า, าที่เงียบสงัดที่สุดตก็ไม่สามารถที่จะรู้ทําเห็นทำได้พเพราะทําความเห็นไม่ถูกต้องทำจิต ตั้งิดไม่ถูกต้องแต่การเปลี่ยนสถานที่อของพระใหม่ๆซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีความคิดความเห็นความนึกคิดในการที่จะไปที่โน้นบ้างที่ น, นี้บ้างก็เป็นธรรมดาของพระทุกรูุในเบื้องต้นเมื่อเราอยู่ในสถานที่หนึ่งนานๆเราก็อยากไปเปลี่ยนสถานที่บ้างเปลี่ยนสถานที่ไปบัดกรบ้าง แต่ให้เน้นในการที่จะพารบความเปลี่ยนอยู่ทุกทุกขนาดจิตเป็นสำคันเพื่จะไม่เสียหายการเปลี่ยนไปบางทีก็เป็นประสบ ก, การณ์นกันไปไปบัดพานาจังหวัดกั้ภาพเหนือบ้างทั้อีสานบ้างทั้งใต้บ้างทั้งตงะวันตกทั้งตะวันออกไปแล้วก็เ อ, อมันไม่มีอะไรไปแล้วก็เหมือนกันมันอยู่ที่ ความตั้งใจในการภาวนาก็จะเกิดความคิดความเห็นึ้นมายในวิธีไปในฐานที่นั้นใช่หมดถนับดีความเนพนภาวนาดีทําให้เกิดสติปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นได้บางครั้งไปแล้วเสียหายก็มีบางครั้งไปแล้วทําให้การกําันเปลี่ยนดีขึ้นก็มีนั่นต้องคอยสังเกตทุกถึงทุกอย่างก็เป็นจะเป็นประสบการณ์ภายในจิตใจแต่และบุคคล ที่สุดแล้วรวมลงในการที่จะไปเที่ยวภาวนาในแต่ละที่ที่สุดแล้วมันจะรวมลงอยู่ที่ความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นถูกต้องอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แค่ความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นที่นั้นสามารถที่จะทําให้รู้ทําเองทําได้ ใครมีปัญหาอะไรไหม